เรื่องสัมหุลาภิกษุภิกษุมากรูปพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุมากรูปความพิสดารว่านี้เป็นประวัติของโสนกุติกันนะผู้มีตุ้มหูราคาโกธในสมัยหนึ่งพระมหากัจจายนะเทระ อยู่ในแคว้นอวันตีที่ภูเขาปวันตะอุบาสกชื่อโสนกุติกันนะเลื่อมใสใกล้บวชล่วงไปสามปีจึงได้บวชเพราะในชนบทมีภิกษุน้อยไม่ครบสังฆกรรมบวชแล้วใครไปเฝ้าพระสัสดาถวายบังคมพระสัสดาได้รับการปฏิสันฐานพระสัสดาอนุญาตเสนาสนะ ในพระคันธกุฎีเดียวกันให้ราตรีสว่างล่วงไปส่วนมากที่กลางแจ้งแล้วเข้าสู่คันธกุฎีตอนกลางคืนใกล้รุ่งพระศัสดาเชื้อเชิญให้สวดพระสูตร16พระสูตรแล้วส่งสาธุการว่าดีแล้วภิกษุกุมมัทกัเทพนาครุษฟังสาธุการประทานแล้วได้ให้สาธุการเป็นอันเดียวกัน ได้มีแล้าตลอดพรมโลกแม้เทวดาในเรือนของมหาอุบาสิกามาดาของพระเทระซึ่งอยู่ไกลถึงหนึ่งรยี่สิบโยศก็ได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังพนางทราบว่าเทวดาในเรือนได้สาธุการให้แก่พระเทระบุตรของตนซึ่งได้แสดงธรรมแล้วแด่พระสาสดาส่งเลื่อมใสในธรรมนั้นประทานสาธุการนางทราบแล้ว มีวันณะห้าประการเกิดขึ้นแกนางแพ่ไปทั่วสวรีระนางคิดว่าเมื่อบุตรกลับมาจะขอฟังธรรมบ้างฝ่ายพระโสนะได้ทูลขอพรห้าประการคือขอให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์เพียงห้ารูปได้ขอให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้ขอให้อาบน้ำได้เนืองนิด ขอให้ได้เครื่องปูราดด้วยหนังได้ขอให้รับจีวรภายนอกสีมาได้ขออย่าให้เป็นอาบัตินิสขิยะแล้วขอทูลลากลับพระเทระได้บินทบาตไปเรือนของอุบาสิกาผู้มารดานางถามถึงการแสดงธรรมแก่พระศาสดา จ, จริงหรือไม่พระโส น, นะสงสัยว่ามารดารู้ได้อย่างไร อุบาสิกาก็บอกว่าเทวดาบอกแล้วขอให้พระเทระบุตรแสดงธรรมแก่นางบ้างจึงจัดเรียมธรร ม, มาติประดับประดาขณะพระเทระกำลังแสดงธรรมอยู่นางนั่งฟังธรรมโจรเก้าร้อยขุดอุโมงค์เข้ามาอย่างเรือนของนางโหน่าโจรไปยืนอยู่ในเรือนข้างหลังนางนั่งอยู่ นางทาสีมาบอกว่าโจรขึ้นเรือนงัดห้องเก็บเงินแล้วนางกล่าวว่าเราจะฟังธรรมพวกโจรจงเอาเงินไปเถอะอย่าทำลายการฟังธรรมแห่งบุตรของเราแม้นางทาสีจะมาบอกอีกนางก็กล่าวคาเดิมนั้นอีกเช่นนี้ถึงสามครั้งฝ่ายในโจรฟังถ้อยคําของนางแล้วสำนึกผิดหมอบลงแทบเท้าของนางขออดโทษ ละขอบวชแม้ลูกน้องโจรทั้งหมดก็บวชแล้วพระเทระได้ให้กรรมฐาน9ก้าอย่างต่างๆกันภิกษุเก้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานแล้วพากันไปสู่ภูเขานั่งทมสมณธรรมใต้ร่มไม้นั้นๆแล้วพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระเจตวันซึ่งอยู่ไกลไปหนึ่งโยชน ทรงเล็งดูภิกษุเหล่านั้นทรงกำหนดพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจแห่งความประพฤติของภิกษุเหล่านั้นได้ทรงพาษิทิ์พระคาถาว่าภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมอันสงบเข้าไประ ง, งับสังขารอันเป็นสุข ภิกษุเธอจงวิทย์เรือนี้เรือที่เธอวิท์จะถึงเร็วเมื่อเธอตัดราคะโทสะได้แล้วแต่นั้นจะถึงนิพพานภิกษุเธอพึงตัดธรรมะเบื้องล่างห้าอย่างคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการมีสกายธทิฐิวิจิกิจชาสิลปตะปรามาตกามราคะและปฏิฆะ พึงละธรรมะห้าอย่างคือสังโยชน์เบื้องบนได้แก่รูปราคะอรูปราคะอุทจักกุกกุจจามานะและอวิชชาอย่างคุณธรรมห้าคืออินทรีย์ห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นภิกษุผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้องห้าอย่าง คือราคาโทสะโมหะมานะและทิฏฐิได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้ภิกษุเธอจงเพ่งและอย่าประมาจจิตของเธออย่าหมุนไปในกามคุณอย่าเป็นผู้ประมาทกลื่นกินก้อนเหล็กแดงเธออย่าเป็นผู้อันกรรมแผดเผาฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญายอมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานมีฌานต้องมีปัญญาประกอบฌานและปัญญามีในบุคคลใดบุคคลนั้นแหละตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้นิพพานผู้มีจิตสงบแล้วเห็นแจ้งธรรมอยู่โดยชอบพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งคันทั้งหลายโดยอาการใดๆ เธอย่อมได้ปีติและปราโมทนั้นเป็นธรรมะอันไม่ตายของผู้รู้แจ้งทั้งหลายธรรมานี้คือความคุ้มครองซึ่งอินทรีย์วาวรหกนี้อย่างหนึ่งความสันโดษหนึ่งความสำรวมในพระปราติโมกหนึ่งเธอจงครบมิตร ด, ดีมีอาชีวะหมดจดไม่เกียดคร้านพึงเป็นผู้ประพฤติปฏิสันฐานพึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระ เพราะเหตุนั้นเธอจักเป็นผู้มากด้วยปราโมทย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกได้ในการจบพระคาถาหนึ่งหนึ่งภิกษุร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายในที่แห่งตนนั่งแล้วนั่นแหละเหาะขึ้นสู่เวหาตก้าวลวงทางกันดา120โยต์ทางอากาศ ถวายบังคมพระบาทพระตถาคตเจ้าดังนี้แล